เพราะมันเป็นจิตชาติ ว, าวิบากของกุศลวิบากของอกุศลแต่บางอย่างก็เป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์เช่นพระอรหันต์เห็นเปรตแล้วท่านยิ้มอย่างนี้เลยยิ้มด้วยอเหตุตักจิตคือที่ยิ้มเนี่ยยิ้มบอกว่าท่านพ้นแล้วจากสภาพแบบนี้กกนส่วนกามาวาจรโสพณะเนี่ยนะที่ใช้คําว่าโสพณะออกมาเนี่ยเป็นคําที่เพิ่ม อีกหน่อยนึงโสพณะนี่โดยทั่วไปแปลว่า ด, ดีหรืองามหรือประกอบกับโสพณะเจตสิกเนี่ยนะเช่นโสพณะสาธารณะเจตสิกสิเนี่ยนะเนื่องจากเป็นจิตที่ประกอบกับโสพณะสาธารณะเจตสิกส่วนจิตเหล่านี้เนี่ยนะจิต30นี้เรียกว่าอโศพณะ เพราะเป็นจิตที่ไม่มีโสภณะเจตสิกประกอบเลยเนี่ยนะแต่จะไปแปลว่าไม่ดีก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันอมความไม่หมดถ้าเฉพาะอากุศลนี่แปลไม่ดีได้แต่อเหตุกาแปลว่าไม่ดีไปเลยจะขัดกับจิตของพระอรหรันเนี่ยนะหลังคาว่าอากุศลลจิต12องอเหตุกจิตสิเรียกว่าอาโศภณะจิต ทีนี้พอมาเป็นกามาวจรที่มีโสพนะเจตสิกประกอบเลยเรียกว่ากามาวจระโสพณะจิตกามาวจรโสพณะเนี่ยซึ่งมีเจตสิกที่เป็นโสพณะสาธารณประกอบนั้นรวมเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกกุศลกลุ่มที่สองวิบากกลุ่มที่3กิริยาเนี่ยนะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือมาจากคําว่ากามาวจระจิต จิตของผู้ที่ไม่ได้อบรมก็ไม่ค่อยดีจิตของผู้ที่อบรมด้วยสมถะและวิปัสสนาก็เป็นจิตที่ดีเพราะฉะนั้นการมาวาจรจิตมีสี่นะที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกับกิริย า, าลืมชีต้ตรงนี้ว่า เอาที่เป็นกุศลก่อนนะมีอยู่แปดดวงเท่านั้นที่เป็นกุศลในบรรดาจิตห้าสิบสี่ดวงเนีย่ยนะมีอยู่แปดดวงที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นอกุศลมีสิบสองส่วนที่เป็นวิบากมีสิบห้าส่วนเป็นกิริยามีสามตรงนี้วิบาก ขออภยัยวิบากตรงนี้ด้วยนะกิริยามีย้อนทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าที่เป็นกุศลมี8ที่เป็นอกุศลสิที่เป็นวิบาก23 <15. S 1> ที่เป็นกิริยามี11บดนนะ ปัญ伽มาวาจรจิตแบ่งเป็นกุศลแปดอกุศลสองวิบากยี่สิบสามกิริยาสิบเอ็ดคือวิธีการจําแนกเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากเนี่ยนะถามว่าจุดประสงค์เนี่ยเพื่อให้เห็นอะไรเนี่ยนะพูดจิตมาตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นมายากล น, นั้นนึงให้เห็นว่านะความวิจิตด้วย แล้วเป็นความหลอกลวงมันอย่างยิ่งมายากลนะ่ะนะดูเหมือนจริงอะ่ะแต่ว่าอีกภักมันดูไม่ได้มันมันใช้ไม่ได้อย่างนั้นจริงจริงอ่ะนะ <c oughs> ก็วิญญาณขันทั้งหลายเหมือนกับมายากลนะ่ะนะแต่มองอีกในหนึ่งวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้แหละเหมือนกับคนไข้ละนั่นแหละตัวป่วยตัวไข้ก็อยู่นี่แหละท่านอาจารย์คือหมายถึงพระ ผ่านอนุรุธาจาร์เมื่อจะแสดงปาปจิตคืออกุศลจิตและอหิตกาจิตก่อนโดยสมควรแก่นัยะที่ท่านจะกล่าวถึงอย่างนี้ว่าจิตทั้งหลายที่พ้นจากบาปและอหิตกาจิตเรียกว่าโสภณะจิตเพื่อจะตั้งชื่อจิต59ดวงหรือ91ดวงอันเว้นจากปาปจิตและอหตตกจิตโดยชื่อว่าโสภณะจิต จึงจำแนกซึ่งโลภะมูลจิตไว้8ดอย่างโดยต่างการแห่งเวทนาทิฏฐิและสังขารก่อนจึงมีคำว่าโสมณัสสาคตังเป็นต้นก็เพื่อจะแสดงโลภะสาคตะจิตเหล่านั้นนั่นแหละก่อนเพราะในบรรดาปาประจิตและเหตุกจิตเหล่านั้นเฉพาะจิตตุบา ท, ที่สหรคตด้วยโลภะเกิดในเบื้องต้นแกสัตว์ผู้ถือปฏิสนธิในภพทั้งหลายด้วยอำนาจวิถีจิต แล้วแสดงจิตทั้งหลายที่สองระโคด้วยโทมนั์ในลำดับแห่งโลภ ะ, ะสหคตะจิตนั้นเพราะภาวะแห่งจิตทั้งสองพวกเหล่านั้นเสมอกันโดยความมีเหตุสองและแสดงจิตที่มีเหตุหนึ่งในลำดับแห่งโทมานต์สหคตะจิต สับแสงของคัมภีร์สมัยก่อนเนี่ยโหแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยอธิบายทุกคำเลยแต่ของเราถ้าอ่านจริงๆนะไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากขนาดนี้นย่งแป๊บเดียวจบแล้วเดี๋ยวมาโทษพลาดโอ้พาว่าเรื่องง่ายๆให้มันยากไปหมดเลย วิธีตั้งชื่อจิตว่าโสพนะจิตกับอโศพนะจิตนะอะโศพนะจิตก็ล็อกแล้วว่าอากุศลจิตสิบสองอเหตุกะจิตสิบแปดส่วนจิตที่เหลือห้าสิบเก้าหรือเท่าไหร่ อันนะหรือ91เนะาะเเรียกว่าโสพนจิตเพราะจิตทั้ง59้าหรือ91นี้มีโสพนาสาธารณเจตสิกประกอบเส่วนอโสพนจิตเนื่องจากไม่มีโสพนาสาธารณเจตสิกประกอบนั่นเองทีนี้เมื่อจะ ขยายอักษพณจิตเป็นอันดับแรกเหว่าอักษพณจิตก็แบ่งเป็นโลภะมูลจิตแปดโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองทีนี้ท่านก็ตั้งคำถามว่าทำไม ท่านจึงยกโลภขึ้นมาก่อนทำไมไม่ยกโทสะยกโมหะขึ้นม า, า, าท่านบอกว่าท่านบอกว่าเพราะสัตว์แรกในภพต่างๆนี่นะวิถีแรกของทุกภพเลยจะเป็นโลภเนี่ยนะแล้วก็ในอัตถกาถาวัฏสูตรเนี่ยนะพูดถึงอุปกิเลส16เนี่ยจะขึ้นราคะเป็นต้น เพราะอะไรเพราะว่าโลภะมูลจิตเนี่ยเป็นวิถีแรกของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในทุกภพโดยที่สุดแม้พระอนาคามีที่ปฏิสนธิครั้งแรกวิถีแรกคือโลภะวิถีแรกเนียก็หนึ่งใน8ดอย่างใดอย่างหนึ่งละเนี่ยนะแล้วแต่ว่าบุคคลทั่วๆไปหรือเป็นผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าสรุปว่าโลภะนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกวิถีแรกของทุกภพโดยที่สุดแม้จะเกิดในนรก ก็ยังมีโลภะขึ้นก่อนอนะันดับแรกว่าโลภะ น, นี้ถามว่ามีอะไรเป็นอารมณ์บอกว่ามีปฏิสนธินั่นแหละเป็นอารมณ์มีปฏิสนธิดีใจว่าโอ้ยังอยู่เหมือนกับตกเหวเลยนะดีใจเอายังไม่ตายนะแต่อ้าวไม่ได้เรื่องละตอนแรกก็ดีใจนะถึงเกิดในนรกก็ยังดีใจอยู่นะคือคือตอนที่คิดถึงได้ปฏิสนธิดีใจนะแต่ว่าพอดูบริเวณแนละ้วก็ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไมหวละเคยว่าอีกทีนะ เพราะฉะนั้นนั่นก็ยกว่าจิตอันนี้เกิดเป็นอันดับแรกเสร็จแล้ว ก, ก็ยกถึงโทสะต่อมาเพราะว่าที่แสดงโทสะเป็นลำดับต่อมาเหตุผลก็คือว่าจิตทั้งสองเนี่ยมีเหตุสองหนมะส่วนโมหะมูลจิตนั้นมี1เหตุคำว่ามีเหตุสองนั้นโลภะมูลจิตเนี่ยนะมมีโลภะบวกโมหะ ส่วนโทสะนั้นมีโทสะบวกโมหะส่วนโมหะมูลจิตนั้นมีเหตุเดียวคือโมหะนี่นะ ก, ก็ไล่มาโดยลำดับอย่างนี้โยอนอีกครั้งว่าโลภะมูลจิตเนี่ยนะมีรากอยู่สองถ้า ถ้ากล่าวโดยอัานนะเช่นวัตถุกับอารมณ์ก่อนอวัตถุกับอารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัยแก่จิตหรือวิญญาณเนี่ยนะทีนี้ในบรนาจิตเนี่ยมันจะมีรากอยู่รากของความคิดอันนี้ว่ามันจะอย่างลงลึกไหมเวลามันเกิดขึ้นเช่นว่าคนนี้ถ้ามีโลภเป็นรากถ้ามีโลภก็มี โมหะพวกนี้มันจะเป็นรากของความคิดเนี่ยนะก็ยังลงลึกเลยเนี่ยนะถ้าจิตมีโทสะนะจิตอันนี้เป็นปัจจัยก็มีโทสะเป็นรากออกเหมือนกันอันนี้ก็รากสองรากมันใหญ่ไมาจำนิดนิดใหญ่นะโทสะกลับ โมหะอันนี้ก็เป็นรากเป็นรากของความคิดนะทั้งโลภะกับโทสะมีคนละสองรากตัวจิตนะมีรากไม่ใช่ตัวรากมีรากแต่ว่าตัวจิตนี่เรากําลังพูดจิตนะแต่ว่าจิตชนิดนี้เป็นจิตที่มีรากเรียกว่าจิตมีมูลส่วนโมหะมูลจิตนี่มีรากเดียวเห็นไะโอรากเดียวนี่ก็ถือว่าหนักหนาละรากฝอยยังจะดีกว่ามีรากอันนี้ นันะ่นโมหามูลจิตรากเดียวนะถ้าว่าเนี่ยเป็นรากก็ไล่าตามลำดับมาแบบนี้นั้นในปัจจัย24ี่เนี่ยจะขึ้นด้วยเหตุตัวปัจจัยจะขึ้นรากของของของของจิตของเจตสิกรากของรูปเนี่ยนะพราะคำว่ามูลเหล่านี้มันไม่ได้หยุดอยู่เท่านี้ใช่ไหมพอจิตเกิดขึ้นทำอะไรอีกเป็นปัจจัยแก่เจตสิกประกอบและจิตเหล่านี้ยังทา แต่ชโรปอย่างที่พูดนะขเขาจมาพูดทุกคำเนี่ยให้รู้ว่ามาจากมูลอย่างใดอย่างหนึ่งในในมูลเหล่านี้แต่ว่าโดยมากก็จากกุศลแต่ถ้าคําพูดทั่ ว, วไปอย่างเดรฉ า, านคาถาเนี่ยนะเปล่งออกมาก็มีรากพวกนี้แหละอย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าที่พูดพูดด้วยชอบหรือไม่ชอบพูดโกรธหรือไม่โกรธก็มีอกุศลเท่านี้เป็นเป็นรากนะนะรากอันนี้มันมีอที่พ้นต่ออะไรมันมี มันเป็นอุปนิสัยที่สาคัญต่ออย่างอื่นต่อต่อไปอีกเนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นมันก็นับว่าชั่วร้ายอยู่แล้วมันก็เป็นปัจจัยแห่งความชั่วร้ายต่อไปอีกเนี่ยนะดังนนถือว่าเป็นโรคแล้วในบรรดารากของวัตตะของการเรียนไหยตายเกิดจะยกให้สองตัวนี้เป็นรากของวัตตะนะว่าสาสทั้งหลายมีอวิชาเป็นนิวณ์ แล้วก็มีโลภะนี้เป็นคริสสังโยชน์เพวกนี้มีเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ใช่ั้ยโมหะเขาปิดไม่ให้แทงอารมณ์แทงตลอดอารมณ์นี้โดยสัจจะสี่ไม่ให้แทงตลอดทุกสมุทัยนิโรธมักเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดก็ถือว่าวิชาเนี่ยปิดไว้ฉาบไว้ส่วนตัณหา เขาทำหน้าที่ผูกไว้อย่างเดียว น, นะผูกไว้กับอารมณ์นี่แหละพั น, นะนทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องร้อยเครื่องรัดเครื่องผูกเครื่องมัดนี่ก็แล่นไปเถอะในวัตตะไม่มีเบื้องต้นและที่สุดเนี่ยนะไม่รู้ว่าตั้งกะแรกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปไล่ให้มันปวดเมื่อยหรอกทูบอกว่าตั้งกะแรกมายังไงบอกว่าเอาพระพิษุ สี่รูปสี่รูปรูปหนึ่งละลึกได้วันละหนึ่งแสกับเนี่ยนะละลึกอยู่สรปว่าละลึกสี่ร้อปีเนี่ยนะวันละหนึ่งแสนกับก็ยังไม่ทันไปถึงไหนเลยนะยังไม่ทันได้ระลึกอย่างนี้ก็ได้ไม่เกี่ยสงไขหรอกนะเพราะยั ง, ยงเบื้องต้นมันไม่มีที่สุดดูคำพิสารัตถะสังฆะท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยมาตรัสรู้แล้วมากกว่าทายในสมุติอีกแล้งี้นยนะเนะ ทีนี้ต่อไปข้างหน้าล่ะข้างหน้านี้ต่อไปเมื่อไหรมันจะจบสักทีหนึ่งผู้การกําหนดจบแล้วใช่ไหมว่าอีกแสนกับเงี่ยนะถ้าเอแต่ทักฆะไหมถ้าถ้ า, Th ถ า, ถามันจะเอตทักฆะก็ลดลดไปตามนั้นไหม <laughs> ไ <laughs> ตามนิดอะไรนี่ไม่ได้ขอให้มันได้พ้นสักอย่างเป็นอะไรก็เจ้าไงกิเลสพ้นได้ก่อนอย่างนี้นะก็แล้วแต่อธยาสายนะก็ไม่ว่ากันนะคือขอให้มันพ้นจากกิเลสมันเป็นใช้ได้จะพ้นแบบไหนค่อยว่าเอง ท่านก็แสดงจิตเหล่านี้มาโดยลําดับนะครัพันท่ากล่าวโดยวัดตะกถาก็มีอยู่เท่านี้แหละมีโมหะเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรับซึ่งอชิตะมานกก็ถามพระผู้มีพระภาคว่าโลกอันอะไรหนอหุ้มห่อไว้โลกอันอะไรฉาบทาไว้โลกไม่ปรากฏมันมืดเพราะเพราะอะไร แล้วก็อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกซึ่งพระองค์ก็ตอบว่าโลกอันอวิชชาเนี่ยมันห่อเอาไว้เนี่ยนะโลกอวิชชาห่อไว้ตันหาก็ฉาบทาตันหาฉาบทาโลกไม่ปรากฏเพราะความตรนนีเพราะความประมาทเนี่ยนะมันไม่แจ่มแจ้งนะมันน่าจะเห็นแต่มันก็ไม่เห็นอะ่ะเพราะตันีกับเพราะประมาทแล้วก็ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกเนี่ยนะทุกเป็นภัยใหญ่ของโลก ก็ไปดูเอานะในอาชีตะมานบใ น, ในเล่ม67ใช่ไหม67ใช่เล่ม67จุลนิเทศอาชิตะมาน บ, บอยู่ในจุลนิเทศโดยพิสดาลโดยย่ออยู่ในสุตตานิบาลเล่ม47นะซึ่ง จิตแต่ละอย่างและสัมปยุตธรรมแต่ละอย่างก็คงเป็นเกือบจะสิ้นปีนะค่อยอธิบายานคะรั้งก่อนที่พูดถึงแก่นิดหนึ่งนะพูดผิดไปอย่างคือในในหน้า17นะคือพระสุมังคลาจาร์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรพระรูปนี้ชื่อว่าสุมังคลาจาร์เนี่ยเป็นชาวศรีลังกาถูกแล้วแต่พระสิริมังคลาจาร์นะที่รเจนา มังคลทีปนีไม่ใช่ได้ชื่อว่าสุมังคลาจาร์ชื่อว่าสิริมังคลาจาร์คนละองค์กันนะมีมังคละเหมือนกันมีมงคลอยู่เหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งชื่อสุมงคลอีกองค์หนึ่งชื่อว่าสิริมงคลเนี่ยนะก็แตกต่างกันบ้างคนละองค์กันนะมันก่อนจําสับสนไปวันนี้ก็สมควรกัเวลานาะระฆังดังแนละ้ว